กันไปแล้วใครกันเล่าที่จะพลอกเล่าเอาใจเมื่อยามที่เราห่างไกล กันเล่าพี่เฝ้าพเนาพนอต่อกันเมื่อวันผ่านมารักยังชำวานวันนี้ต้องลาเจ็บจนใจชาเลือเกินต่อแต่นนี้ คงเหางาคงปวดคงร้าวหน้าดูที่มันต้องมารับรู้ว่ายอดชู้จะไปก่ <Deswegen> <S <S> อนจากกันไปขอเพียงคำมั้นว่าจะไม่คิดลืมกันยืนยันด้วยคำว่าจะ คงเหงาคงปวดคงราวหน้าดูที่มันต้องมารับรู้ว่ายอดชู้จะไปก่ <S <S> <S อนจากกันไปขอเพียงคำมันว่าจะไม่คิดลืมกันยืนยันด้วยคำว่า Up my.